nasa pega ra tu sama sambuthatsa nasa pegawato ra to sama sambuthatsa nasa pegawato to sama Pannarasi, Jiva-se-sandipatitaya, Muttha-parisaya, Kati-thamikathākathiyate, Katangpunyoti, Imatsa, Pariyāyatsa, Athho-sathāyatsamantehi, Saka-changthambo, Sotambo, Sotambo, วันนี้วันนี้เป็นวันปัญจรัสสีดิถีที่ 15 ค่ําแรมกาลัปปะเป็นวันอุโบสถและวันพุทธมามกะบิณฑบาต ทางเกิดวัดและบรรพกิจพวกต่างก็ได้ ได้แก่มีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานบิณฑะศีล และสติปัญญาบารมีของตนของตนจะยิ่งขึ้น มนุษย์อันบุคคลทําไว้แล้วดังนี้ด้วยธรรมะซึ่งเป็นโวาทคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บังคับแก่เที่ยวเข็นพุทธบริษัททั้งหลายให้จำต้องประพฤติและปฏิบัติการ ได้กระทําบําเพ็ญกันแต่อดีตชาติที่ฟางก่อนโดยลําดับก็ โปรแกรมทั้งหลายได้ประกอบด้วยศรัทธาคือความเชื่อในเรื่อง ประพฤติปฏิบัติตนของตนให้เป็นไป เมื่อบุคคลผู้ใดบุคคลใส่ตนของตนใดได้ทำคุณงามความดีใส่ตนของตน ไม่มีส่วนที่จะได้รับผลดังกล่าวนี้ ไม่เหมือนกับรัตธิและศาสนาอื่นๆเพราะ หรือไม่ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เป็นหน้าที่ของเราไม่ไว้เป็น หัวข้อของการแสดงธรรมในเบื้องต้นซึ่ง การอุบัติเกิดขึ้นในโลกเดียวกันกับพวกเรานี้ไม่มีสัตว์เฉพาะว่าสัตว์เดรัจฉานก็ได้ แล้วก็มีอยู่มากมายหลาก ว่าบุญอันเกิดขึ้นจากการประกอบซึ่งเหตุที่ ถือที่แสดงบุญอันเราได้กระทําบําเพ็ญนิสังสมไว้แล้วใน เป็นผลส่งให้ธรรมว่าบุญซึ่งมาจากเหตุแห่งความ เกิดปิติยินดีปิติสัตว์คือมนุษย์พวกเราเพราะว่าการเกิดนั้นไม่มีเฉพาะสัตว์คือมนุษย์ คันบุคคลคือตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ได้กระทําไว้ทีๆ เข้ามาเป็นเป็นเครื่องเป็นเครื่องประดับซึ่งสติปัญญาเป็นเครื่อง ให้เป็นพุทโธวาจาไว้ว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทํา กิตังขุททานศาสนังธรรมทั้ง 3 ประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นคําสั่งสอน ให้แก่เวไนยสัตว์หรือสัตว์โลกไว้โดยอาการ การที่พวกเราได้รักความชั่วบําเพ็ญความดีได้ชําระจิต อภัยทานต่อกันและกันก็ดีอันนี้ก็ โดยเหมาะสมแก่สภาวะและฐานะและโอกาสสถานที่นั้นๆย่อมจะรับความเบากาย สิ่งทั้งหลายดังกล่าวนี้ย่อมเป็นเครื่องกดทรวงหนวนจิตใจของมนุษย์และสัตว์ให้ โดยตามมีตามได้วัตถุคือปัจจัยทั้ง 4 ตาม การที่เรามาใสหลักของการปฏิบัติด้วย มหาบริจาค 5 ประการก็ตามเพราะไม่สามารถที่จะทําให้พระองค์ได้รู้เรื่องส่งผลให้ ไม่เป็นหลักและแนวทางที่จะชำระกิเลส 1 ที่จะ 2 และ 3 ต่อไปจึงเป็นสิ่งที่ ให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างเต็มความสามารถนี้ประการหนึ่งอีก มีความตระหนี่เย่อประมาทชะริยะมีความโลภมีความโศทมีความ นับกับนับกันไม่ได้กับนับกันได้โดยสิ้นเชิงก็ตามได้ถึงแม้ ทั้งให้รอยขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระทั้งมวลนั้นให้ลอยขึ้นนี่เรื่องของฐานประการที่สอง ในการมาตามสํารวมรักษาซึ่งความเป็นภิกษุและสามเณรที่ได้มา 5 ก็ดี 8 ก็ กรรมบท 10 ก็ดีศีล 227 ก็ดีศีลทั้งหลายทั้งมวลนี้ได้ทํา ดวงจิตของคนนั้นเป็นธรรมชาติพองย่อมปรากฏซึ่ง ฉันใดคําว่าปรกติจิตของคนใสดัง เราไม่มีโอกาสที่จะได้ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้เห็น เพชรมันก็ย่อมมีที่เพชรคือก้อนที่มัน ด้วยเมื่อถูกสีน้ําค้างอันบริสุทธิ์เมื่อถูกสีหยดสีลงไปสัก ถ้าถูกอับแสงลงไปถูกความสว่างก็ไม่เกิดแสงลงไปรัศมีก็ไม่เกิดความสว่างก็ ถ้าเรามีวิชาความรู้มีความสามารถเราก็สามารถจะแยก roadmap neck h นา sw announce ended หรือ helpogly lame soli wydjudี preview werk in sa nel linie cod med lire照 gradually dynamite fir dokumentus pd ohne волos Geasse vengeance india, guedes sa en bas rom water veterinimia divirat ur tavalla of sport Comb youeur dh19 in혀 dla basли員 Spiritual Ti 7 00 will be evidence Originals 對.issimo broniHello, breake Jillделie, ที่พวกเราทั้งหลายได้เวียนว่าย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็น ทั้ง 8 ประการย่อลงมาก็ๆทานเราวัตถุปัจจัย ตามกําลังของศรัทธาที่มีอยู่หรือเสียสละออกซึ่ง โดยได้มีการควบคุมกายวาจาตาม หลักของภาษาสนาได้แก่สินเพราะว่าศาสนาได้แก่ศีลเพราะว่าคําว่า 6 ตวาร 9 ซึ่งเรียกว่า ว่ากายทั้งหลายนับไม่ถ้วนนั่นก็คือจิตใจเมื่อจะกล่าวภายง่ายๆคําว่ากายลุ มหาปุสสรูปเรียกว่ารูปใหญ่ว่ารูปใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุก็กว้างศอกยาววาหน้า เป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งความรู้สึกชนิดหนึ่งมีอยู่ณภายในร่างกายอันนี้ จำจากไหนก็จำจากตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราทั้งหลายนี้เอง แปลว่าความปรุงแต่งหรือความนึกความคิดแดนแห่งความปรุงแต่งหรือ ถ้าบุญญาภิสังขารปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เป็นคุณงามความดีคือเป็นความชั่วหรือเป็นบาปอเนนชาภิสังขารการปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่เป็น ก็จะคือมันไม่ดีไม่ชั่วว่าเป็นตัดสินใจว่าดีหรือชั่วดีก็ไม่ใช่จะ แต่ว่าไอ้คำว่าเฉพาะนั้นมัน บุญโบนอันบุคคลซื้อตัวเราได้กระทําบําเพ็ญ กรรมเป็นแดนเกิดของพวกเรากรรมทำหน้าที่กําแนกแจกแบ่งเพศแต่งดูซิว่าไม่ ลมหายใจคลึงกันไม่ผิดแตกแตกต่างกันอย่างรากหลายออกไปเนื่องและก็สําเร็จโดย เป็นผู้นำให้นี่คําว่ากตังบุญโยแปลว่า เป็นเมื่อใครมายึดมาถืออันหนักเมื่อใครมายึดมีศรัทธาแจ่มกล้า ก็พากันมาประพฤติปฏิบัติอย่างและจะเป็นไปในอนาคต ความเป็นปกติของวาจาไว้ได้ปกติของกายวาจานั้นย่อมไม่ เป็นจิตประจําวันก็ว่าได้ส่วนจิตใจ 5 ถึง 8 10 227 เข้ามาเป็นแบบฟอร์มสวม กายวาจาและจิตใจของเราเมื่ออยู่ในกรอบของศีลชื่อว่าผู้นั้นรักษาปกติของกายของวาจาของใจไว้ได้ ถึงอย่างไรก็ถามอย่างไรก็ตามเมื่อสัตว์เกลียดทุกข์รักสุขเกลียดชั่วรักดีอย่างนี้ก็ตามถึงดังนั้นสัตว์ สัตว์ทั้งหลายที่จะได้เข้าถึง ขันติปรมังตโปติจิตขานักพจน์ทั้งหลายซ่อมเพราะฉะนั้นขันติ จึงเป็นตบะอันสําคัญจัดว่าขันติคือความอดทนร้อนเป็นเครื่องแผด บรรดาที่เปลี่ยนแปลงมีอยู่ในกาย 4 ที่จะเข้าถึงซึ่งความเป็นปกติของกายของวาจาและ จิตใจของเราให้ กายของเราจะเกิดความสงบระงับและเลือดเย็นแห่งกายแห่งวาจาเค้าด้วยอํานาจหน้า วาจาเป็นปกติไม่เกิดบาปจิตใจก็เป็นปกติไม่เกิดอกุศล เราความพอใจยินดีมีฉันทะความพอใจยินดีวิริยะเรา ภาคเพียรหรือพยายามฝึกฝนลบ ผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่อยู่ตรงที่ฟังธรรม ไม่ถูกสิ่งที่กดทวงหน่วงใจให้มืด บริหารตาหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารของเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกประการผู้นั้นแหละที่ว่ามีเป็นผู้มีความ เรเรเราก็ไม่เพราะเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายจึงได้น้อมชีวิตของพวกเรามาความเชื่อธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการ โดยข้อปฏิบัติ